ห้าสิบเอ็ด over ห้การไปทําธุระพออินคูบดิฉันอยากไปห้องสมุดยายวิลพอบีบลูจีคือดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ี will ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ l ยากไปรีคที่ฉันอยากยืมหนังสืออยากยืมหนังฉันอยากซือ้อหนังสือีฉันอยากซือ้อหนังสือพิมพ์ Will ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือฉันอยากไปห้องสมุเพื่อจะไปยืหนังสือ ฉันอยากไปร้านแว่นตาฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตฉันอยากไปร้านข r ยขนมปังฉันอยากไปร้านขายขนมปัง ดิฉันอยากซื้อแว่นต า, นาฉันอยากซื้อผ ล, ลไม้และผั ก, ก, ออ ก, กฉันอยากซื้อขนมปังปออฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Jeg vil til o p t i k e r n e for at købe et par briller. De chandt jeg er på supermarkedet, for at søge på lamai eller pak. Jeg vil i supermarkedet for at købe frugt og grøntsager. De chandt jeg er på randbækkeri, for at søge kanombang. Jeg vil til bageren for at købe r u n d s t y k k e r og brød.